ครั้งนั้นกันดหาละพราหมณ์ทูลขอโอกาสพระราชาแล้วจึงกล่าวคาถาที่สามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐนรชนให้แล้วซึ่งฐานอันล่วงล้ำฐานค่าแล้วซึ่งบุคคลอันไม่พึงค่าชื่อว่าทำบุญแล้วย่อมไปสู่สุขติด้วยประการชนีเนื้อความแห่งคำในคาถานั้นมีดังนี้ว่าค้าแต่มหาราช ชื่อว่าบุคคลผู้ไปสวรรค์ย่อมให้ทานอันล่วงล้ําทานย่อมฆ่าบุคคลอันไม่พึงฆ่าถ้าพระองค์ปรารถนาจะไปสวรรค์ายพระองค์เองก็จงทำอย่างนั้นนั่นแหลลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสถามความหมายของคำที่พูดกบกันดหาละพรามนั้นว่าก็ทานอันล่วงล้ําทานนั้นคืออะไร และคนจำพวกไหนเป็นผู้อันบุคคลไม่พึงฆ่าในโลกนี้ขอท่านจงบอกข้อนั้นแก่เราเราจักบูชายันจักให้ทานกันดาหาละพรามทูลตอบพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐยันพึงบูชาด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาพระมเหสีชาวนิคมโคอุสภ ร, ราชมาอาชาในอย่างละสี่ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐยันพึงบูชาด้วยหมวดสี่แห่งสัตว์ทั้งปวงกันดาหาละพราหมณ์นั้นเมื่อจะถวายพยากร์แก่พระราชานั้นถูกพระราชานั้นทรงถามถึงทางไปสู่สวรรค์แต่กลับพยากรณ์ทางไปนรกบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาอุตเตหิความว่าด้วยพระราชบุตร และพระราชธิดาผู้เป็นที่รักทั้งหลายผู้เกิดแล้วจากพระองค์คําว่าพระมเหสีมเหสีหิได้แก่ด้วยพระชายาผู้เป็นที่รักทั้งหลายคําว่าชาวนิคมเนคเมหิได้แก่ด้วยเศรษฐีทั้งหลายคําว่าโคอุสภ ร, ราชอุสเพหิได้แก่โคอุสภ ร, ราชทั้งหลายตัวขาวปลอด คำว่าม้าอาชาไนอาชาณีเยหิได้แก่ด้วยม้าตัวเป็นมงคลทั้งหลายคำว่ายางละศีจะตุหิได้แก่ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมุตติเทพพระองค์พึงบูชายัญด้วยหมวดละศีแห่งบุคคลและสัตว์ทั้งปวงอย่างนี้คือด้วยบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดและสัตว์เหล่าอื่นอย่างละสีมีช้างเป็นต้น กันดหาละพรามให้พระราชาทรงเข้าพระทัยว่าพระราชาทั้งหลายผู้ทรงบูชายันเมื่อได้ตัดศีรษะของสัตว์ทั้งหลายมีพระราชบุตรเป็นต้นเหล่านั้นด้วยพระขันรองรับเอาโลหิตในลำคอด้วยถาดทองคำทิ้งลงไปในหลุมยันแล้วย่อมเสด็จไปสู่เทวโลกพร้อมทั้งพระสรีระกายนั่นเองข้าแต่มหาราช การให้ทานมีให้ของกินและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแกสมณะพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางวันิพกและยาจกจะได้เป็นทานอันล่วงล้าทานหาไม่ได้เลยส่วนการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าเหล่านี้มีบุตรและธิดาเป็นต้นแล้วกระทำยันบูชาด้วยเลือดในลาคอของคนจำพวกนั้นชื่อว่าทานอันล่วงล้าทาน กันดหาห์ละพรามนั้นคิดดังนี้ว่าถ้าเราจักจับแต่พระจันท ก, กุมารคนเดียวคนทั้งหลายจักรู้ว่าเหตุที่ทําเพราะผูกใจเจ็บเพราะฉะนั้นเขาจึงรวมพระจันท ก, กุมารเข้าในจํานวนมหาชนไาชนภายในพระราชวังได้สดับเรื่องที่พระราชาและกันดหาห์ละเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้จึงตกใจกลัวร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังเป็นเสียงเดียวกัน พระาศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าในพระราชวังมีเสียงระเบงเซงแซ่เป็นอันเดียวกันน่าหวาดกลัวเพราะได้ฟังคำว่าพระกุมารพระกุมารีและพระมเหสีจะต้องถูกฆ่าบรรดาคาเหล่านั้นคาว่าคำตังความว่าเพราะได้ฟังคานั้นว่า พระราชกุมารพระราชกุมารีและพระมเหสีทั้งหลายจะต้องถูกฆ่าคําว่าเป็นอันเดียวกันเอโกความว่าได้มีเสียงกึกก้องเป็นอันเดียวกันทั่วพระราชนิเวศคําว่าหน้าหวาดกลัวเพสมาได้แก่น่ากลัวคําว่าระเบงเซงแซ่อัจจุคคโตได้แก่ได้เกิดขึ้นอื้ออึง ในการนั้นราชตระกูลทั้งสิ้นได้เป็นดังป่าไม้รังถูกลมยุคขันตวาดพัดต้องหักโค่นลงฝ่ายพรามทูลถามพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์อาจเพื่อกระทำยันบูชานี้หรือหรือไม่อาจพระราชาตรัสว่าอาจารย์ท่านกล่าวอะไรเราบูชายันแล้วจักไปสู่เทวโลก กันดะหาละพรามทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าบุรุษทั้งหลายเกิดมาเป็นคนขาดมีอธัธยาศัยอ่อนกำลังไม่ชื่อว่าเป็นผู้สามารถเพื่อจะบูชายันได้ขอพระองค์จงให้รวมสัตว์มีลมปรานทั้งปวงไว้ในที่นี้ข้าพระองค์จะกระทำกรรมในหลุมยัน แล้วจึงพาพักพวกผู้มีกำลังสามารถของตนอันพอเพียงออกจากพระนครไปกระทาหลุมยันให้มีพื้นราบเรียบสม่ำเสมอแล้วล้อมรั้วไว้เพราะเหตุไรเพราะว่าสมณะหรือพรามผู้ทรงธรรมพึงมาแล้วห้ามการกระทายันนั้นเพราะเหตุนั้นพรามในโบราณกาลจึงบัญญัติตั้งไว้ว่า หลุมยันต้องล้อมรั้วจึงจะเป็นจารีตฝ่ายพระราชาทรงมีรับสั่งให้เรียกราชบุุษทั้งหลายมาแล้วสั่งว่าพ่อทั้งหลายเราฆ่าบุตริดาและภรรยาทั้งหลายของเราบูชายันแล้วเราจะไปสู่เทวโลกเจ้าจงไปทูลพระราชบุตรพระราชธิดาและพระมเหสีเหล่านั้นแล้วพามาสู่ที่นี้ทั้งสิน้นดังนี้แล้ว เพื่อจะให้ราชบุรุษนำพระราชบุตรทั้งหลายมาก่นจึงได้ตรัสว่าพวกเจ้าจงไปทูลพระกุมารทั้งหลายคือพระจันทกุมารพระสุริยกุมารพระพัฒเสนกุมารพระสุรากุมารและพระรามโคตตะกุมารว่าขอท่านทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู่กันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า พระจันทกุมารพระสุริยกุมารจันทันจสุริยันจะความว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองเป็นพระราชบุตรของพระนางโคตมีเทวีพระอัครมเหสีส่วนพระพัทเสนกุมารพระสุรากุมารและพระรามโคตตะกุมาร เป็นพระพาดาต่างมาดาของพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารเหล่านั้นคําว่าจงอยู่เป็นหมู่กันปัสุอิระโหถะความว่าขอท่านจงอยู่เป็นหมู่เป็ น, ปนกองในที่เดียวกันอธิบายว่าจงอย่า ก, กระจัดกระจายกันราชบุรุษเหล่านั้นไปยังสํานักพระจันทกุมารก่อนแล้วทูลว่าพ่อกุมาร ดังได้สดับมาว่าพระราชบิดาของพระองค์ทรงพระประสงค์จะฆ่าพระองค์แล้วเสด็จไปสู่เทวโลกทรงสั่งพวกฆ่าพระองค์มาเพื่อคุมพระองค์ไปพระจันทกุมารตรัสว่าพระราชานั้นใช้ให้ท่านมาจับเราตามคําของใครราชบุรุษทูลว่าตามคําของกันฑาหาละพราหมณ์พระเจ้าข่า พระจันทกุมารตรัสถามว่าพระองค์ทรงใช้ให้ท่านมาจับเราคนเดียวหรือหรือว่าให้จับคนอื่นด้วยราชบุรุษทูลว่าพระองค์โปรดให้จับผู้อื่นด้วยได้ยินว่าพระองค์ทรงใคร่จะบูชายันด้วยหมวดสี่แห่งสัตว์ทั้งปวงพระจันทกุมารคิดว่ากัรดะหาละพราน์นี้มิได้จองเวรกับผู้อื่น แต่เมื่อทำการคดโกงในการวินิจฉัยอัตขคดีไม่ได้ก็จะฆ่าคนเสียเป็นอันมากเพราะจิตคิดจองเวรในเราแต่ผู้เดียวเมื่อเราได้ช่องเฝ้าพระราชบิดาความค้นภัยของคนทั้งหมดนี้จักเป็นภาระของเราเป็นแน่ลำดับนั้นพระจันทกุมารจึงตรัสแก่ราชบุรุษว่าถ้าเช่นนั้น ท่านจงทำตามพระราชบัญชาของพระบิดาเถิดราชบุรุษเหล่านั้นนำพระจันทกุมารมาให้ประทับที่พระลานหลวงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนำพระราชกุมารอื่นอีกสามพระองค์มาประทับใกล้ๆกันแล้วก็ทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่พระสมุติเทพข้าพระองค์ได้นำพระราชโอรสทั้งหลายของพระองค์มาแล้ว พระราชานั้นได้ทรงสดับคําของราชบุรุษเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าพ่อทั้งหลายบัดนี้เจ้าจงไปนําพระราชธิดาทั้งหลายของเรามาแล้วให้ประทับในที่ใกล้แห่งพระพาดาของเธอเพื่อจะให้เขานําพระราชธิดาทั้งสี่มาจึงตรัสพระคาถานอกนี้ว่าเจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารีทั้งหลาย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 ผู้กาลังทรงกันแสงคร่ำครวญให้มาประทับในที่ใกล้พระพาดาจากนั้นพระราชาเพื่อต้องการจะให้ราชบุรุษไปคุมพระมเหสีทั้งหลายของพระองค์มาจึงตรัสพระคาถานอกนี้ว่าอันหนึ่งเจ้าทั้งหลายจงไปทูลผู้เป็นมเหสีของเราคือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกสินีและพระนางสุนันทา ผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะอันประเสริฐว่าขอท่านทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู่กันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะอันประเสริฐลัคณะวัรูปะปัญ น, นาความว่าท่านทั้งหลายจงทูลพระมเหสีแม้เหล่านี้ผู้เลอโฉม ผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะแห่งสตรีอันอุดม64ประการราชบุรุษเหล่านั้นก็นำพระนางทั้งสี่ผู้กำลังปริเทวนาการคร่ำครวญอยู่แม้เหล่านั้นมาให้ประทับอยู่ในที่ใกล้พระกุมารลำดับนั้นพระราชาเมื่อจะทรงให้ราชบุรุษนำเศรษฐีทั้งสี่มาจึงตรัสพระคาถานอกนี้ว่า เจ้าทั้งหลายจงไปบอกคฤหบดีทั้งหลายคือปุณณมุขะคฤหบดีพัทธยะคฤหบดีสิงคาละคฤหบดีและวัฏทะคฤหบดีว่าขอท่านทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู่กันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันราชบุรุษทั้งหลายก็ไปนําคฤหบดีเหล่านั้นมาเมื่อพระราชาให้จับกลุ่มพระกุมารและพระมเหสีทั้งหลาย ทั่วพระคนครไม่มีใครใครกล่าวคำอะไรเลยแต่ตระกูลแห่งเศรษฐีทั้งหลายย่อมมีเครือญาติเกี่ยวพันกันเป็นอันมากเพราะฉะนั้นในการที่เศรษฐีเหล่านั้นถูกจับกลุ่มมหาชนจึงพากันวุ่นวายขึ้นทั่วพระนครคนเหล่านั้นพูดกันว่าเราจะไม่ยอมให้พระราชาฆ่าเศรษฐีบูชายันแล้วได้พากันแวดล้อมเศรษฐีไว แลพากันไปราชสกุลกับพวกญาติของเศรษฐีเหล่านั้นลาดับนั้นเศรษฐีเหล่านั้นมีหมู่ญาติห้อมล้อมอยู่รอบด้านถวายบังคมพระราชาแล้วก็ขอประทานชีวิตของตนพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าคารืหบดีเหล่านั้นผู้เกลือนกลนไปด้วยบุตรภรรยามาพร้อมกันณที่นั้น ได้กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงกระทําข้าพระองค์ทุกคนให้เป็นคนมีแยมหรือขอจงทรงประกาศข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นข้าทาสเถิดพระเจ้าค่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทุกคนให้เป็นคนมีแยมสัพเพสิกิโนความว่า ขอพระองค์จงทรงกระทําข้าพระองค์ทุกคนให้มุ่นจุกผมบนกระมอมแล้วเป็นคนรับใช้ของพระองค์พวกข้าพระองค์จะ ก, กระทําหน้าที่เป็นคนรับใช้ของพระองค์ข้อว่าหรือขอจงทรงประกาศข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาตเถิดอะทะวาโนทาเสสาเวหิความว่าเมื่อไม่ไว้พระไัยเชื่อข้าพระองค์ ก็จงให้ประชุมกองทัพทั้งหมดแล้วจงประกาศในท่ามกลางกองทัพเหล่านั้นให้พวกข้าพระองค์เป็นทาสข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะ ก, กระทํางานทาสแด่พระองค์ครืหบดีเหล่านั้นแม้ทูลอ้อนบอลขอชีวิตอยู่อย่างนี้ก็หาอาจได้ไม่ราชบุรุษทั้งหลายให้ครืหบดีทั้งหมดนั้นถอยกลับไปแล้ว ก็คุมเอาพวกเขาไปให้นั่งในที่ใกล้พระราชปุมานนั่นแลภายหลังพระราชาเมื่อจะทรงสั่งราชบุรุษเพื่อให้นำสัตว์ทั้งหลายมีช้างเป็นต้นมาจึงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงรีบนำช้างของเรามาคือช้างอภยังกรช้างนาลาคิรีช้างอัจจุขตะช้างวรุณทันตะ ช้างเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเจ้าทั้งหลายจงรีบไปนำมาซึ่งม้าอัสดรของเราคือม้าเกสีม้าสุภมุขะม้าปุณณมุขะม้าวินต ก, กะม้าเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเจ้าทั้งหลายจงรีบไปนำมาซึ่งโคอุสภ ร, ราชของเราคือโคยุทธปติโคโมทกะ โคนิสภะพโควัมปติจงต้นโคเหล่านั้นทั้งหมดเข้าเป็นหม่กันเราจะบูชายันจักให้ทานอันหนึ่งจงตเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมวันพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราจะบูชายันเจ้าทั้งหลายนำเอาพระจันทกุมารจงรื่นรมตลอดราตรีนี้เจ้าทั้งหลายจงตั้งไว้แม้ทุกสิ่ง วันพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราจะบูชายันเจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารณบัดนี้วันนี้เป็นคืนสุดท้ายบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าจงต้อนโคเหล่านั้นทั้งหมดเข้าเป็นหมู่กันสมุหังกะระโจนตุสับพังความว่าจงกระทําให้เป็นหมวดละสิ่งละสิ่งไม่ใช่แต่สัตว์ทั้งหมดมีประมาณเท่านี้ แม้สัตว์ทั้งปวงที่เหลือจากนี้จำพวกสัตว์สีเท้าก็ดีจำพวกนกก็ดีก็จงกระทำให้เป็นหมวดละสี่แล้วรวมไว้เป็นกองเราจับบูชายันอันประกอบด้วยหมวดสี่สัตว์ทุกชนิดเราจักให้ทานแก่ยาจกทั้งหลายและสมณะพราหมณ์ทั้งหลายข้อว่าจงตระเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมสับพังปิปฏิยาเทถะได้แก่ จงจัดตั้งสิ่งที่เหลือที่เรากล่าวแล้วนั้นคำว่าขึ้นอุคตัมหิได้แก่ส่วนเราจักบูชายันในวันพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่ในเมื่อพระอาทิตย์อุทัยข้อว่าจงตั้งไว้แม้ทุกสิ่งสัพพังปิอุปัฏฐะเปทะได้แก่จงจัดตั้งเครื่องอุปกรณ์แก่ยันแม้ที่เหลือทั้งหมด